วันนี้ไม่ทราบว่ามีคนจะมากันเยอะเลยไม่ได้เตรียมเครื่องขยายเสียงลำโพงไว้ตอนรับก็ไม่ทราบว่าเสียงพอได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าใครไม่ได้ยินก็เราขยับตัวไปอยู่ที่ใกล้ๆลำโพงก็แล้วกันนะเพราะว่าธรรมดาวันธรรมดาจะคนมาไม่มากพอทีวันนี้เป็นวันศุกร์ ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมามากก็จะเตรียมลำโพงอะไรไว้ไปตั้งตามจุดต่างๆอันนี้ไม่คิดว่าจะมีคนมามามากอย่างที่เห็นกันอยู่นี่อะไรเสียงก็อาจจะไม่ดังชัดงั้นก็การจะฟังธรรมจะให้ได้ประโยชน์ได้ ผล ก, ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพื่อจะได้รับธรรมะที่เราฟังได้อย่างเต็มเต็มร้อยกายสงบก็คือร่างกายต้องนั่งเฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆวาจาก็ต้องสงบ เธอไม่มีการพูดคุยกันเพราะพูดคุยกันมันก็จะมีเสียงรบกวนคนฟังที่อยู่ใกล้ๆก็จะถูกรบกวนด้วยเสียงพูดคุยกันวาจาก็ต้องสงบใจก็ต้องสงบใจถ้ายังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาเช่น ที่ไปไหนมาแล้วนี้หรือคิดถึงสถานที่ที่เราจะไปต่อไปใจก็จะไม่ได้ตั้งใจฟังใจก็จะคิดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูก็จะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้ไม่ได้จดจอ่อตั้งใจฟังนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ จากการฟังเทศฟังธรรมจำเป็นจะต้องมีกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบก็คือศีลใจที่สงบก็คือสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาเกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนี่คือหนึ่งอันที่สงง ของการฟังธรรมที่มีอยู่ห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะไม่หลงไม่ลืมสามจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง เกิดปัญญาความรู้ความรู้ที่แท้จริง 4. จะกำจัดความลังเลยสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังพึงจะได้รับจากการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบ ถ่ากายว่าจใจไม่สงบจะใจจะไม่ได้จดจ่อฟังอยู่กับเสียงธรรมฟังไปแล้วก็จะไม่เข้าใจเรียกว่าฟังแบบทับพีในหม้อแกงทับพีในหม้อแกงนี้อยู่กับหม้อแกงมานานขนาดไหนก็ตามจะไม่รู้จักรสของแกงที่อยู่ในหม้อว่าเป็นแกงชนิดไหนจะเป็นแกงเผ็ดแกงจืด แกงหวานก็จะไม่รู้รสถ้าฟังแบบกายวาจาใจที่สงบนี้เรียกว่าฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้พอมีแกงมาสัมผัสแม้เพียงแต่หยดเดียวก็จะรู้รสของแกงทันทีว่าเป็นรสชนิดไหนถ้าจะฟังทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ แล้วทาที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ยินได้ฟังอย่างเต็มที่ทมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ำเข้าเข้าไปอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องธรรมต่างๆได้จะทาให้เราเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องจะทาให้ใจเราสงบ เวลาฟังธรรมนี้เราจะฟังเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อนคือธรรมคืออะไระก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เองอเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมผลของบุญของบาปคือสวรรค์นรกการเวียนว่ายตายเกิดการยุติของการเวียนว่ายตายเกิด นี่เป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่มาฟังธรรมกันเพราะทางโลกเขาไม่สอนธรรมกันต่อให้เรียนจบมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกก็จะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญคือสวรรค์เรื่องผลของบาปคือนรกเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของมรรคผล น, ผนิพพานคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ดีนดีเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่ไม่เข้าใจเราก็จะไม่เราก็จะสงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่าผลของบาปมีจริงหรือเปล่าคือนรกบุญมีจริงหรือเปล่าผลของบุญมีจริงหรือเปล่าคือสวรรค์ตายแล้วไปเกิด จริงหรือเปล่าเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านหยุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้จริงหรือเปล่าหยุดได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นจะได้ยินได้ฟังก็ต่อเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่อาจจะลืมไปเพราะว่า พอเราฟังเสร็จแล้วเราเราไม่มีเวลาที่จะเอามาพิจารณาอยู่เนืองเนืองเพราะว่าเราต้องใช้ความคิดกับการทรมาหากินการทำงานทำการธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังที่ผ่านมาก็อาจจะลืมไปหายไปเราจึงต้องฟังทมกันอยู่เรื่อยๆฟังทมกันบ่อยๆดหลังที่พู้เจ้าทรง ตัดไว้ว่ากาเลนะธรรม ส, สวนังเอตัมมังกลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คือสมัยพุทธกาลก็อย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งฟังธรรมในวันพระวันธรรม ส, สวาะวันที่เราวันที่ญาติโยมได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เพราะปกติต้องทำงานทําการกันแล้วสมัยก่อนจะฟังเทศน์ฟังธรรมได้ก็ต้องไปที่วัดเพราะถ้าไม่ไปที่วัดก็ไม่มีที่ฟังธรรมไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้พวกเราโชคดีมีธรรมะอยู่ใกล้ตัวเรามากมีหนังสือธรรมะต่างๆที่เราสามารถอ่านได้เองมีสื่อที่บันทึกเสียงธรรมต่างๆ เส้น CD, หรือมีการถ่ายทอดสดอย่างที่เรากำลังทำกันในตอนนี้อยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกก็สามารถรับฟังทำได้ทุกวันตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสี่โมงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เนต็ตถ้าใครรู้จกัก YouTube Facebook หรือ l ล n e นี่ก็สามารถเข้าถึงได้เลย สมัยปัจจุบันนี้เราสามารถฟังธรรมได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างนั้นถ้าเราฟังได้ทุกวันนี้จะถือว่าเป็นตามการตามเวลาจะได้ฟังบ่อยๆ ย, ยิ่งฟังมากยิ่งเข้าใจมากเราจะทำให้ไม่หลงไม่ลืมจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เห็น ก็คือบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง mm hmm. ของพวกนี้เป็นของจริงทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห mm hmm. มือนกากการศึกษาสาัยก่อนคนเรานี่ไม่รู้ว่าโลกโลกกลมกันคนเราที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จะไม่รู้ว่าโลกกลมจะคิดว่าโลกแบนกันแต่พอได้ไปโรงเรียนได้ไปเรียนหนังสือมีครูมีอาจารย์สอนบอกว่าโลกเป็นกลมก็เลยทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อก่อนคิดว่าโลกแบนไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลกลัวจะตกขอบทะเล เขาได้พิสูจน์แล้วว่าโลกมันมันไม่มันไม่แบนมันกลมนั่งเรือไปเท่าไหร่ก็จะไม่ตกออกจากโลกไปเพราะว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้เช่นเวลาเรือเข้ามาทำไมเห็นเห็นเห็นเสาเสาเรือก่อนเห็นเสาธงก่อนก่อนที่จะเห็นตัวเรือถ้าโลกมันแบนมันก็ต้องเห็นพร้อมๆกันทั้งเรือทั้งเสา แต่นี่มันเป็นเพราะมันโคง้งมันว้าเหมือนคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเนี่ยเวลาขี่ม้าข้ามเขามา น, ามาามามานี่จะเห็นคนขี่ก่อนจะเห็นตัวมา้าจะเห็นส่วนที่สูงก่อนพอพื้นที่พื้นที่เขาขี่ม้ามานี้มันโคง้งมันเป็นเขาชันใด่เยเขาก็พิสูจน์กันแบบนี้ว่าโลกนี้มัน ม, ม, มันไม่แบมันไม่แบนมันกลมแล้วเขาก็เลยทำให้เขากล้านั่งเรือออกไปสุดขอบทะเลแล้วก็ไม่ได้ไปตกทะเลถ้านั่งไปเรื่อยๆไปทิศทางเดียวกันเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาที่จุดเดิมที่เริ่มต้นก็รู้ว่าเป็นวงกลมอันนี้จะรู้ได้ก็ต้องไปเรียนไปศึกษาความรู้ต่างๆจากคนที่รู้แล้วอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ ท่านรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วท่านรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วท่านรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วท่านก็รู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็เลยเอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราสนใจศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากความรู้ทางธรรม คือได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราไม่รู้กันว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เราไม่รู้ว่าเราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแลและไม่รู้ว่าเรากําลังจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่รู้กี่แสนล้านครั้งถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้แต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรม เราจะได้รู้ว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ต้องตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกันไปทุกคนทุกร่างกายแต่ใจผู้มาครอบครองร่างกายผู้เป็นเจ้านายของร่างกาย ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆและการกระทำที่สั่งด้วยใจนี่แหละที่เรียกว่าบุญหรือบาปเราทามีการกระทำอยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่เรามีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละเรียกว่ากรรมกรรมก็คือแปลว่าการกระทำ คำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายถึงบาปหรือบุญกรรมนี้เป็นคำกลางๆเป็นการกระทาทางกายทางวาจาเวลาเราเคลื่อนไหวด้วยร่างกายนี้เรียกว่ากายกรรมเวลาเราพูดด้วยวาจานี้เรียกว่าวาจีกรรมเวลาเราคิดเวลาเราสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทานี้เราเรียกว่าโมโนกรรมเกิด ค, ความคิด นี่คือกรรมที่พวกเราทํากันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับแล้วกรรมที่เราทานี้ก็ไปได้สามทางด้วยกันไปทางที่ดีไปทางที่ไม่ดีและไปทางกลางๆางเรียกว่าถ้าไปทางที่ดีแล้วก็เรียกว่าบุญถ้าไปทางที่ไม่ดีแล้วก็เรียกว่าบาปถ้าเป็นทางกลางๆลางเราก็เรียกว่าไม่บุญไม่บาปทางที่ดี เป็นยังไงที่เรียกว่าบุญคือการกระทําที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเช่นช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากลําบากลงอันนี้เราทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นทําแล้วผลเราจะได้รับกลับมาคืออะไรก็คือความสุขใจอิ่มใจความภูมิใจอันนี้แหละเรียกว่าบุญ คือความสุขใจอิ่มใจผลบุญที่เราที่เราเรียกว่าสวรรค์ต่อไปเวลาที่ไม่มีร่างกายใจที่มีบุญนี้ก็จะเป็นมีความสุขใจนี้ก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาป เช่นไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดเดืนสุรายาเมาเนะี่ยพอกระทำแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นผลที่กลับมาหาเราก็คือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความรุ่มร้อนใจเวลาเราทำบาปนี้ใจเราเย็นหรือใจเราร้อนนั่นนะความร้อนใจเรียกว่านรกเรียกว่าบาป เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้ตายไปแล้วถึงค่อยไปรับผลผลที่เกิดขึ้นทางใจนี้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนทาบุญปับ้บเกิดความสุขใจทันทีเกิดความอิ่มใจทันทีเกิดบุญขึ้นมาทันทีสามารถอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ทันทีเลยนี่คือผลของการทาความดีก็คือความอิ่มใจสุขใจ แล้วเวลาเวลาตายไปความสุขใจอิ่มใจนี้ก็จะเรียกว่าสวรรค์เวลาไม่มีร่างกายใจที่ไม่มีร่างกายแต่มีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเวลาที่นอนหลับแล้วฝันดีเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายทําอะไรเหมือนคดตายร่างกายเหมือนตายชั่วคราวช่วงนั้นก็เหมือนเราตายชั่วคราวใจที่ไม่มีร่างกายก็เลย ผลของบุญที่ทําไว้คือจะฝันดีฝันว่าไปทำอะไรไปมีความสุขกับสถานที่นั้นสถานที่นี้กับคนนั้นคนนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าบาปพาไปเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายฝันถึงแต่เหตุการณ์ที่เป็นภัยอันตรายต่อตนเองเรียกว่าบาปเนี่ยเรียกว่านรกเรียกว่าอบาย อันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังไม่ตายเกิดขึ้นตั้งแต่เราทำบุญทำบาปเลยจึงมีคำพูดอยู่ที่เราคงเอยได้ยินว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี่ไม่รู้เป็นอะไรร่างกายเป็นมนุษย์ใจอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพรนพะอริยเจ้าก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือ เป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรจก็ได้เป็นอสู ร, รกายก็ได้เป็นนรกก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทํานั่นเองนี่แหละคือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของบุญเรื่องของบาปมันอยู่ในใจของเรานี่เองมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่บางคนคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้า ก็ส่งจะรวยขึ้นไปค้นหาดูแล้วก็ไม่เจอสวรรค์บนท้องฟ้าไม่เจอนางฟ้าไม่เจออะไรเจอแต่ดวงดาว<ม>ถ้าลงไปใต้ดินก็ไม่เจอนรกมไม่เจอเด็จไม่เจอเปรตไม่เจออสูรละกายไม่เจอสัตว์นรกอยู่เนนั้นเพราะมันไม่ใช่เป็นที่อยู่ของนรกหรือสวรรค์นรกหรือสวรรค์นี่อยู่ในใจเราเอง สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่คือความจริงถ้าเราอยากจะดูว่าตอนนี้ใจเราเป็นสวรรค์หรือเป็นเราเป็นอะไรเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูเข้าไปที่ใจของเราถ้าใจเราสุขเรากำลังอยู่บนสวรรค์เรากำลังเป็นเทวดากันถ้าใจสงบนิ่งก็เป็นพรหมกันถ้าใจปราศจากกิเลสตัณหาก็เป็นนิพพานกันเป็นพระอาริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกกัน อยู่ที่ใจของเรา <c oughs> พระพุทธเจ้าถึงแต่ว่าใจนี่แหละเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะใจนี่แหละเป็นผู้กระทำบุญหรือกระทำบาปร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับใช้คำสั่งเท่านั้นเองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป เ, เวลาร่างกายตายไปแล้วไปไหนลนะ่ะก็ไปที่เมนกันไปชาป น, านกิจกัน กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปนี่คือที่ไปของร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปไม่ได้ไปเกิดใหม่ <c oughs> ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปหรือไปเกิดใหม่ก็คือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยตอนนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่เรากเรารู้เสียงธรรมนี้ ผู้ที่รู้นี่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงเข้าไปในใจอีกทีหนะึ่งใจมีมีวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับหูพอเสียงมาสัมกระทบกับหูวิญญาณก็รับเสียงนั้นส่งไปให้ผู้รู้คือใจผู้รู้ก็เลยรู้ว่ากาลังฟังอะไรอยู่นี่คือใจกับร่างกายที่จะต้องแยกออกจากกัน เพราะว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจ์นั่นเองไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปแต่ใจนี่แหละเป็นนิจจงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่จะต้องไปรับผลของบุญของบาปต่อไปเวลาตายไปนี้บุญกับบาปที่เราทำนี้จะมาแย่งใจของเราไปเหมือนเกวียนที่มีมีโคอยู่สองตัว ตัวหนึ่งอยู่ทางข้างหน้าตัวหนึ่งอยู่ทางข้างหลังมันจะมาแย่งแย่งเกวียนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งตัวไหนมีกำลังแรงมากกว่าก็จะดึงไปทางนั้นเช่นตัวที่อยู่ข้างหน้ามีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเกวียนให้ไปทางข้างหน้าถ้าตัวที่อยู่ข้างหลังมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงให้ไปทางข้างหลังบุญกับบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับโคที่จะมาดึงใจเราที่เป็นเหมือนกับเกวียนนี้ ให้ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็ไปอบายถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปอบายก็ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี่เป็นเวลาที่บุญกับบาปมันไม่มีกําลังที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่ง เราก็เลยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหตุที่ทำให้เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่ก็คือตัณหาความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรายังอยากจะมีร่างกายเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถไปดูไปฟังไปลิ้มรสไปดมกลิ่น ไปหาความสุขอะไรต่างๆได้อยู่เหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากนี่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดถ้าเราหยุดความอยากได้ทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดเหมือนคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้เพราะอะไรเพราะเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบไลยพรไม่สูบไม่ทำตามความอยาก ต่อไปความอยากจะสู่บุหรี่มันก็หายไปเมื่อไม่มีความอยากสู่บุหรี่ก็ไม่ต้องไปหาบุหรี่มาสืบก็เหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนบุหรี่ถ้าเรายังอยากจะใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆอยู่เราก็ต้องมีร่างกายเราก็ต้องคอยหาร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไป อันนี้แหละที่เรียกว่าตายแล้วต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ก็คือความอยากทั้งสามประการคือภาวะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากเล่าอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยอยากได้ลาบยศสรรเสริญเนี่ยเรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มา ได้ร่่งกายมาก็ไม่อยากจะเสียมันไปได้อะไรมาก็ไม่อยากจะเสียแต่มันก็ต้องเสียพอเสียก็เลยต้องไปหามาใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่คนที่สามารถตัดความอยากทั้งสามนี้ได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากในโลกนี้ไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสปุถพะไม่ต้องการลาบยศสารเสด็จ ไม่ต้องการมีร่างกายอีกต่อไปเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าของพวกนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วมันจะต้องหมดไปมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวได้ลาบใยยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาได้ร่างกายมาเดี๋ยวพอร่างกายตายไปของต่างๆที่เราได้มานี้ก็ ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปคนที่เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราหากันอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรเป็นของเราเพียงชั่วคราวจะต้องมีวันจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายพอ เ, เห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ ไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากได้ร่างกายพอตัดความอยากต่างๆเหล่านี้หมดไปแล้วก็ไม่มีไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปอนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวลกท่านสามารถที่จะหยุดใจหยุดความอยากได้ะ พวกเราตอนนี้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าความอยากเป็นเหตุที่ทําให้เรากลับมาเกิดกันแต่เราไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้เพราะใจเรายังขาดธรรมะขาดพลังที่จะมาทําให้ใจของเรานี้สู้กับความอยากหยุดกับความอยากได้พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเราต้องมาสร้างพลังให้กับใจ และระหว่างที่เราสร้างพลังให้กับใจนี้เราก็ถ้ายังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราอย่างน้อยก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราหนึ่งทำบุญสองให้ละการกระทําบาป 3. ให้ชําระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ท่านสอนให้เราทำสามอย่างนี้เป็นวิธีที่จะสร้างกำลังให้กับใจของเราทำบุญแล้วเราจะมีกำลังใจที่จะทำที่จะทาความดีไปเรื่อยๆที่จะฝืนความอยากการทำบุญนี้ก็เป็นการฝืนความอยากเช่นถ้าเราอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่แต่เราคิดว่าซื้อกระเป๋ามาก็เท่านั้นเรามีอยู่หลายใบแล้วซื้อเอาเงินนี้ไปทาบุญดีกว่าได้บุญ เอาเงินไปเข้าธนาคารบุญดีกว่าตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์อยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขใจอิ่มใจไม่เหมือนกับการเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อมาแล้วความดีใจก็เดียวเดียวพอได้กระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใบใหม่อีกได้ของใหม่อีกแทนที่จะมีความอิ่มใจสุขใจกับมีความหิวความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเอาไปทาบุญแล้วเนี่ย ใจกับอิ่มใจกับสุขกับสบายใช้กระเป๋าใบเก่าได้ใบเดียวก็พอมันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันใส่ข้าวใส่ของได้เหมือนกันถ้ามันยังไม่เสียมันยังไม่ขาดก็ใช้มันไปเอาเงินไปทำบุญทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราซื้อกระเป๋าใบใหม่เดี๋ยวเงินหมดพอเห็นกระเป๋าอีกใบ ใหม่อยากจะได้ขึ้นมาอีกพอไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนใจจะไม่สบายนี่คือวิธีของพระเจ้าอุบายยิงนกทีเดียวได้สองตัวคือหนึ่งได้ทำให้ใจมีความสุขถ้าตายไปก็ได้ไปสวรรค์แล้วก็มาหยุดความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองเพราะความอยากนี้จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆ กลับมาหาเงินทองมาซื้อข้าวซื้อของอย่างที่เราทำกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองอยันให้เราหยุดการกระทำหยุดการใช้เงินตามความอยากแล้วเอาเงินมาทำบุญแทนถ้ามีถ้ามีถ้า ม, ามีเอามาทำบุญได้ก็เอามาทำบุญถ้าอยากจะเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าก็เก็บไว้ได้เพราะต่อไปเราจะต้องไปชำระใจให้สะอาดเราต้องไปปฏิบัติธรรม ใจจะสะอาดนี้ต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาเราจะไม่มีเวลาไปทำงานหาเงินหาทองถ้าเรามีเงินทองตอนนี้ก็เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเราจะไปปฏิบัติทำแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินทองไปบวชได้เลยเป็นผู้หญิงก็บวชได้เหมือนกันแต่อาจจะยากกว่าผู้ชาย เป็นแม่ชีก็มีคนดูแลเลี้ยงดูเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของการทำบุญทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจตายไปบุญจะพาให้เราเป็นสวรรค์อยู่ในสวรรค์ขึ้นมาแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ถ้ายังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะกลับมาดีกว่าเดิมสถานะการเงินการทองจะดีกว่าเดิม เเงินทองที่เราทำบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารนี่เองกลับมาเราก็จะมาเบิกได้กลับมาเกิดเป็นลูกของคนที่มีฐานะมีเงินมีทองอ น, นี่คืออั น, นิสงของการทำบุญอันนิสงของการไม่ทำบาป ก, ก็คือจะปิดประตูอบายอบายคือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนกรกกายไปตกนรกนี้ เกิดจากการกระทำบาปห้าข้อนี้เองฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดดื่มสุรายามเมาถ้าเรารักษาศีลได้ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งห้าข้อนี้ได้อบายก็จะไม่มีบาปจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้เราไปเกิดเป็นเกิดในอบายได้เพราะเราทำแต่บุญบาปเราไม่ทำนั่นเอง นี่คือสองข้อแรกที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทำกันให้มันทำบุญแล้วพยายามรักษาสิ่งให้บริสุทธิ์ตายไปรับรองได้ว่าไม่ต้องไปอับายแต่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะยังไม่ได้ชำระความโลภความอยากต่างๆความให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงทำได้เพียงแต่ลดให้มันน้อยลงไปความอยากใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆก็จะถูกตัดไป ความอยากจะทำบาปก็จะถูกตัดไปแต่ยังไม่พอความอยากอย่างอื่นมันยังมีอยู่ความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายยังมีอยู่ก็เลยต้องมาชำระใจด้วยการม า, าปฏิบัติธรรมมามาเจริญจิตตภาวนาด้วยการรักษาศีลเพิ่มอีกสามข้อจากศีลห้าก็มาเพิ่มเป็นศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะช่วยให้เรา ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายห้ามไม่ให้ไปหาไม่ให้ไ ป, ไไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากเที่ยวก็ไม่ให้เที่ยวอยากหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตก็ไม่ได้รับได้เพียงแค่ครึ่งวันให้กินอาหารเพื่ออยู่ไม่ได้กินไม่ให้อยู่เพื่อกินให้กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้กินอาหารเป็นเหมือนยา ไม่ได้กินอาหารเป็นแบบเครื่องที่จะทำให้เรามีความอิ่มหนำสำราญใจเพราะมันเป็นเป็นความสุขปอมมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกขเวลาอยากจะกินแล้วไม่ได้กินคนที่ต้องมาถือศีลแปดนี่จะทุกข์หน่อยเพราะว่าเคยกินอาหารตามความอยากได้พอมองถือศีลแปดนี่ห้ามไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้ว หลังเที่งวันไปแล้วเกิดมีความอยากจะกินก็กินไม่ได้ก็ต้องทุกข์หน่อยแต่ทุกข์แบบนี้ทุกเพื่อให้มันให้มันสุกต่อไปเหมือนกับเราไปรักษาโรคไปผ่าตัดนี่เราก็ต้องเจ็บตัวแต่หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวโรคเดี๋ยวแผาหายแล้วความเจ็บของร่างกายก็จะหายไปโรคภัยก็จะหายไปอันใดเรามาถือศีลแปเราก็ต้องทุกข์หน่อย เาจะกินข้าวเย็นก็ไม่ได้จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ะจะไปเที่ยวไปงานเลี้ยงต่างๆงานบันเทิงต่าง ๆ, ๆก็ไปไม่ได้จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามด้วยเสื้อผ้าอาพอในต่างๆก็ทําไม่ได้จะนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนนานๆก็นอนไม่ได้ให้นอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอปกติถ้าร่างกายพักผ่อนนี้ร่างกาย สี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาแล้วมันสบายก็จะไม่อยากลุกมันจะขอนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงอแต่ถ้าเรานอนบนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้ปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อเวลานอนมันไม่สบายเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาร่างกายมันเหนื่อยมันหลับได้แล้วพอมันได้พักผ่อนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็เราก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย เราจะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเพื่อมากาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปแต่ความอยากต่างๆที่มีในใจนี้มันจะหมดได้ด้วยอำนาจของด้วยของสมาธิและปัญญาสี่นี้เพียงแต่ห้ามมันไว้ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองแต่ถ้า มันยากมากๆบางทีศีลก็สู้ไม่ได้พวกญาติโยมที่มาถือศีลแปดกันนี่อยู่ได้แค่เจ็ดวันก็ขอกลับบ้านแล้วสู้ไม่ไหวแต่ถ้าพวกที่มีสมาธิมีปัญญานี้บวชไปได้ตลอดกูบาอาจารย์ที่เราไปกราบว่ากันวันนี้พวกทีเขามีศีลก็มีสมาธิมีปัญญาเขาสามารถคุมความอยากได้ทำให้เขาไม่ต้องศึก ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้เพราะเขามีความสุขที่ด <mà> ีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่เวลาเรานั่งสมาธิใจเรานิ่งใจเราสงบเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันบวนแล้วก็ไม่ศึกเลย เรื่องอะไรที่จะไปหาความสุขที่ด้อยกว่าความสุขที่ดีกว่าเรากลับไม่เอาคนที่บวชแล้วสึกแสดงว่ายังไม่ได้ความสุขจากความสงบเลยต้องสึกไปหาความสุขจากจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่คนที่ได้ความสงบจากได้ความสุขจากความสงบแล้วนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันศึกเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ดังที่พรธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีใครได้ความสงบแล้วนี้จะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นจะไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะมันเป็นของชั่วข่าวด้วยแล้วเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ถ้ามีปัญญาจะเห็นว่าความสุข ทางตาหูจมูกเิ้วกายนี้เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาเราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เราที่เราเสบความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะตามมาเวลาเราสูญเสียสิ่งที่คนที่เรารักไปคนที่เคยให้ความสุขกับเร า, เ, ราเขาก็จากเราไปเราจะเอาความสุขจากใครก็ไม่มีใครมาให้ความสุขมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที คนที่เห็นปัญญาคนที่มีสมาธิได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าการจะกลับไปหาความสุขแบบเดิมนี้เป็นการไปหาความทุกข์ความสุขทางลาบยศรเสร์ญความสุขทางตาหูจมูกเนื้องายนี้มันเป็นทุกข์ทุกขออ์พอไรเพราะมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่ พอเวลาจากกันเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเคยมีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ววันดีคืนดีสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหมดไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพอคนคนที่ได้ความสุขจากความสงบแล้วจะรักษากับให้ใจอยู่กับความสุขที่เกิดจจากความสงบ ไปได้เรื่อยๆก็ต้องมีปัญญามาคอยเตือนใจสอนใจว่าความสุขในรูปแบบอื่นนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไปพอหมดไปก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือปัญญาถ้ามีสมาธิคือความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมีปัญญามาคอยสอนใจไม่ให้หลงไม่ให้กลับไปอยากกับ ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะเลิกเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้เลิกความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากต่างๆใจก็ไม่มีตัวที่จะมาดึงให้มาเกิดเด็กต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหลานตสาวกที่ท่านได้ปฏิบัติได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา ใจจะสงบได้ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิแล้วถ้ายังปล่อยให้คิดไปคิดมาอยู่ใจจะไม่สงบพอไม่สงบแล้วแทนที่จะมีความสุขก็กลับมีความทุกข์ขึ้นมาทนนั่งต่อไปไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มละแต่ถ้ามีควบมีสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ใจจะนิ่งใจจะไม่ไม่ไป ไ, ไ, ไม่ไปอยากได้อะไรไม่ไปอยากดืมไปอยากดูอะไร ก็จะนั่งสมาธิไปได้นานมีความสุขกับการนั่งขั้นต้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องฝึกสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาอย่าปล่อยให้คิดคิดเท่าที่จำเป็นถ้าทําถ้าเรายังทํางานทําการอยู่นี่มันควบคุมความคิดลำบากเพราะเราต้องใช้ความคิดในการทํางาน ถ้าเราอยากจะควบคุมความคิดได้ง่ายเราต้องไม่ทํางานเช่นวันหยุดนี้เราไม่ทํางานเราไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเราก็สามารถควบคุมความคิดได้ง่ายกว่าแต่เราก็ทําได้เพียงแค่วันหยุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราต้องการทําทุกวันนี้เราก็ต้องหยุดทํางานแต่หยุดทํางานก็ต้องไปบวชไปบวชแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทํางานไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการ เราก็จะได้มีมีโอกาสที่จะหยุดความคิดได้ง่ายกว่าเพราะไม่มีอะไรต้องคิดถ้าคิดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปความคิดก็จะหยุดไปเองแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่คิดพอใจไม่คิดใจก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย พอเราได้ความสุขอันนี้ขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขแบบอื่นความสุขแบบอื่นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าเราใช้ปัญญาได้ต่อไปเวลามีเกิดเกิดมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยากได้ราบยศอยากได้อะไรเราก็ตัดมันได้หยุดมันได้ถ้าเรามีสมาธิเราก็กลับไปในสมาธิทาใจให้นิ่งสงบมีความสุขได้ แล้วก็ฝืนความอยากได้เลิกความอยากได้เลิกความอยากทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติท่านได้กระทา ม, มาและได้รับผลแล้วท่านถึงมีความมั่นใจร้อยเอร์เซเอามาสั่งมาสอนพวกเราว่านี่แหละคือวิธีสู่การดับความทุกข์ที่แท้จริงต้องดับด้วยการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ต้องดับด้วยการปฏิบัติ3ขั้นตอนคือ 1. ทําบุญสองละบาปสปฏิบัติธรรมเพื่อชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าพวกเราเชื่อแลวเราสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็เราก็จะได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สาคัญเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักบวชหรืเป็นคารวาทผู้ครองเรือนี้สามารถทำสามารถบรรลุได้ทั้งนั้นถ้ามีมีความเพียรความพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสข้อนี้ถ้าทําบุญได้เต็มร้อยละการกระทําบาปได้เต็มร้อยทาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เต็มร้อยก็สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคน นี่คือเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุมื่อผ ล, ลที่ผ่านทุกชนิดทุกเพศมีทั้งหญิงทั้งชายมีทั้งคารวะมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ พอเขามีหนึ่งมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนมีพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนสองเขามีความศรัทธาความเชื่อมั่นมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมีความเพียรพยายามมีความอดทนพอเขาปฏิบัติเขาเชื่อแล้วเขาก็ปฏิบัติพอเขาปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นมาสมัยนี้เราขาดสิ่งเหล่านี้กัน ขาดกูบาาจาร์ที่สั่งสอนทำให้เราเกิดศรัทธาอย่างอย่างแน่วแน่ที่ทำให้เราเกิดความความเพียรอย่างกล้าหาญเกิดความอดทนเกิดความเข้มแข็งถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าธรรมที่พพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับนั้นก็จะเป็นธรรมที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันนี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน ถ้าเราไม่มาฟังทำกันเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไปที่อื่นนี้เราจะได้ยินแต่เรื่องการหาราบยศ ส, สรรเสญหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวที่จะทําให้เราต้องมาร้องห่มร้องไห้กันต่อไปพอไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องมีการพักภากจากกันไปนั่นเอง แต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแนละ้วเราก็จะได้เห็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสิ้นทุกข์ไปสู่การไปสู่ความสุขที่แท้จริงและถาวนก็คือทางของที่พระเจ้าได้ทรงสอนคือทางแห่งการทําบุญทางแห่งการละบาปทางแห่งการทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าฟังแนละ้วเราเข้าใจเราจะเกิดศรัทธาและเราจะน้นอมนำออกไปปฏิบัติต่ตอไปพอปฏิบัติแล้ว รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยรับประกันไว้แล้วว่าถ้าการไปใครปฏิบัติตามทำที่พรพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติได้นี้จะสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่คือคําพยากรณ์คํารับรองของพระพุทธเจ้าเราต้องทําส่วนของเราคือมีศรัทธาแน่วแน่ แล้วมีความเพียรที่ที่แก่ก้าเพียรพยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติให้เต็มร้อยแล้วผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยนี่คือเรื่องของธรรมะที่ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้มาฟังอีกก็จะทําให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นมาทบทวนความจําที่เราเคยจำธรรมเหล่านี้ได้แต่อาจจะหลงลืมไป ถ้าเราฟังบ่อยๆต่อไปเราจะไม่ลืมเราจะได้รู้ว่าภารกิจหน้าที่ของเราที่แท้จริงนั้นคืออะไรก็คือการทําบุญละบาปชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เองเพราะนี่คือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางสู่การสู่ความสุขที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังนั่นเองดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเรา ทาที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริพิจารณาและไปปฏิบัติต่อไปเพื่อความสุขและความเจริญและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะขออนุมโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุลาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปณะระโสยะถามณีจุปิ อระโสยะธาสพิปิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติ อายุวันสุขั ง, าางาภาลังมีใครอยากจะถามปัญหาไหมฮะอาจาครับขอความหมายของคำว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราครับ พ, <tasked kitty S 1> พ่อก็จิตมันไม่ได้เป็นของใครเนะี่ยคือหนึ่งเรามันไม่มีเรามันเป็นเงาที่จิตสร้างขึ้นมา เ้าจไหมแเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าเราไม่มีมัอไม่มีเราแล้วจะมีอะไรเป็นของเราได้ไหมจิตมันไม่ได้เป็นของเราเหมือนกุฏิศาลาหลังนี้ก็ไม่ได้เป็นของใครนะมันเป็นของธรรมชาติของดินน้ำลมไฟจิตก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นผู้รู้ผู้คิดท่านนั่นคือให้รู้ว่าจิตคือผู้รู้ผู้คิดตอนนี้คิด จิตมันคิดไม่ถูกแค่นั้นเองเราต้องมาแก้ตัวที่คิดนี้คิดให้มันคิดให้ถูกอันนี้มันไปคิดว่ามีตัวตอนมีเรามีของเรามีแล้วมีความสุขมันก็เลยเกิดความอยากเกิดความความยึดติดอุปท า, านทําให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขเี๋เรามาเปลี่ยนเสอยทุกอย่างมันเป็นทุกข์ให้คิดแบบนี้พระเจ้าบอกทุกอย่างมันเป็นทุกข์ ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราจะได้ไม่ต้องกลับมามีมันอีกต่อไปมันทุกข์จริงๆเนี่ยเรามองไม่เห็นว่ามันทุกข์เราเห็นว่าม <ills> ันสุขใช่ไหมเห็นเงินนี่สุขก็ทุกข์อยากได้เงินกันทุกคนใช่ไหมแต่ไม่เห็นตอนนี้มันกัดเราตอนมันกัดเราเป็นยังไงก็ไม่ตอนนี้มันหมดใช่ไหมพอเงินหมดแล้วมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะแต่คนที่ไม่ใช้เงินเขาไม่เขาไม่มีเงินเขาก็ไม่เดือดร้อนดูชาวป่าชาวเขาเขาไม่มีเงินใช้เขาเดือดร้อนไหม เศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงก็ เ, เดือดร้อนไหมกไม่เดือดร้อนอ่ะนะเขาหากินของเขาอยู่ในป่าได้ไม่ต้องยุกก่งกับเรื่องเงินทองใช่ไหมพวกเราเนี่ยยุกก่ ง, ง, นะ ก, ง ก, ก, กับเงินทองแล้วทุกไหมทำงานทําการเครียดกับอะไรถ้าไม่เครียดกับเงินเงินทองบางทีมันเข้ามาน้อยกว่ออกกนะันก็เครียดละใช่ไหมเราไม่เห็นทุกข์เราเห็นแต่สุขเห็นว่าโอ้ยมีเงินแล้วจะได้ใช้จะซื้อจะอะไรทําอะไรได้ซื้อความสุขต่างๆได้ แต่ไม่เห็นเวลาที่มันขาดเนี่ยเวลามันมันไม่มีจะใช้ทํำยังไงเราติดมันซะแล้วเมัอนคนติดยาเสพติดเนี่ยเราไม่เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันถึงทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันอยู่แบบชาวป่าชาวเขานี่เขาไม่มีเงินทองอ่ะชาวกระเหรี่ยงชาวอะไรนี่เขาไม่มีเงินทองสมัยก่อนทสมัยนี้อาจจะเงินทองเข้าไปถึงนะ้สมัยก่อนไม่มีหรอกเขาก็หากินไปตามธรรมชาติเขา เขาก็อยู่ของเขาได้ไม่ทุกข์กับเงินทองไม่เครียดกับเงินทองทีนี้เราต้องมาแก้เราตอนนี้เราหลงเราถูกความโง่ของเราหลอกเราเองว่าทุกอย่างที่เราเห็นเราอยากได้นี้จะให้เราความสุขกับเราแต่แต่มันให้ความสุขตอนที่เราได้มันตอนตอนที่มันเสียมันเสียมันจะทุกข์แล้วเราจะไม่เสียมันแล้วสักวันหนึ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องจากกันะ ว่าไม่จากเป็นก็จากตายใช่ไหยไม่เห็นตรงนี้เลยไม่เห็นทุก<ม>เห็นว่าสุขเห็นว่าตอนได้โอ้ได้มาแล้วได้เงินทองอยากจะซื้อรถก็ซื้อได้ซื้ออะไรก็ซื้อได้ซื้อแล้วก็มีความสุข<ม>แต่เวามันหมดเราอยากจะซื้อไม่ได้ซื้อนี่ทำไงทุกข์เล<ม>ไม่เห็นตรงนั้นท่านสอนให้เรามาฟังเทศฟังธรรม มาฟังจากคนที่รู้ที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์แล้วให้เขาอธิบายให้ฟังทุกข์อย่างไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันช่องชั่วคราวเวลามีมันก็สุขเวลามันหมดมันก็ทุกข์เลยแต่คนที่ไม่มีเงินไม่ได้ใช้เงินมาก่อนเวลามีไม่มีเวลาหมดมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ใช้เงินใช้ทองพระสงฆ์องค์เจ้านี้ไม่ค่อยทุกข์กับเงินทองอะไร พราไม่ต้องใช้เงินไม่ได้ใช้เงินใช้ทองมีก็ไม่ได้ใช้อถ้าใช้ก็ทุกข์เพราะถ้าพอใช้แล้วเดี๋ยวมันติดต้องใช้อยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นไปให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างมันทุกข์เพราะว่ามันมันไม่แน่นอนมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี้ไม่ไม่มีใครรู้เวลาหมดเนี่ยทุกข์เวลาไม่หมดก็ทุกข์แล้วกลัวมันหมดใช่ไหม เองแต่กังวลห่วงคิดว่าเดี๋ยวสักวันมันจะต้องหมดนี่ก็ทําให้เราทุกข์ใจแล้วงั้นหัดอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องมีความสงบเป็นความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจใถ้าไปนั่งสมาธิได้ทําใจใสงบได้ก็ไม่ไม่ต้องพึ่งอะไรเข้ใาใจนะอ มีครู้สึกว่าจิตเราดิ่งเหมือนตกจากที่สูงมันคืออะไรคะแล้วต้องทำอไรอ๋อเวลาเด็กมันจะเข้าสู่ความสงบเนี่ยจิตจะรวนเป็นหนึ่งนี่มันมักจะเหมือนกันมันตกมาจากที่สูงก็ให้มีสติรู้ไปเฉยๆแล้วมันเกิดความกลัวมันก็เลยจับทางไม่ถูกอ่า น, น, นะต่อไปอย่าไปกลัวให้ดูเฉยๆให้ดูเรือให้ดูลมต่อไปเรื่อพุโทโธต่อไปอย่าไปอย่าไ ป, าไปมีปฏิกิริยากับอาการของจิต แล้วเดี๋ยวมันจะดิ่งรวมแล้วก็สงบนิ่งแล้วตาะพุโทโธก็หยุดไปเองถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยวมันกลัวมันเกิดอาการกลัวแล้วมันจะถอยออกมามันจะไม่เข้าไปยนันเราพุโทโธพุโทโธไปมันจะดิ่งก็ปล่อยมันดิ่งไปเดี๋ยวพอมันดิ่งแล้วมันนิ่งแล้วพุโทโธก็จะหยุดไปเอง อันนี้ก็เป็นเพียงแต่ฝึกหัดเป็นการเริ่มต้นถ้าปฏิบัติจริงๆไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดหยุดเวลานอนเท่านั้นพระปฏิบัตินี่ท่านปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วปฏิบัติสิ่งหน้าที่ท่านปฏิบัติก็คือสติต้องจเจริญสติตลอดเวลาถึงจะได้สมาธิถึงจะได้ปัญญาต่อไปสตินี้เหมือนกุญแจรถยนต์เนี่ยก่อนคุณจะขับรถคุณต้องหากุญแจให้เจอก่อนใช่ไหม อ่าพคุณมีกุญแจคุณก็ไปเปิดรถได้สตาร์ทรถวิ่งไปได้ถ้าคุณมีสติคุณนั่งสมาธิใจก็จะสงบพอใจสงบแล้วคุณก็จะเห็นว่าไม่มีความสุขอะไรดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบคุณก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากกับความสุขอย่างอื่นแล้วต่อไปคุณก็จะตัดความอยากที่มีอยู่ใน ใ, นใจให้หมดไปได้เพราะความอยากต่างๆก็คืออยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเอง แต่พอเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขแท้มันเป็นความสุขปลอมมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลามันหายไปหมดไปมันก็ทําให้เราไม่อยากได้มันเราก็จะอยู่กับความสุขแท้ได้คือความสงบต่อไปดังนั้นการปฏิบัติถามก็ปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พูดง่ายๆอย่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นเช่นอย่าไปดูทีวีดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวอะไรอเอาเวลามาปฏิบัติดีกว่า ยิ่งปฏิบัติมากผลก็จะยิ่งเกิดมากแล้วถ้าแต่ละวนันไม่เข้ากันนี่มันเป็นพร อ, อะไรบางวันก็สงบอ๋อบางวันเรื่องมันมากเลยบางทีเรื่องมากเข้ามาต้องคิดมากก็ทําให้สงบยากแต่ บ, บางทีสติไม่ค่อยมีเผอไม่ค่อยรักษาสติกันปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยมันก็สงบยาก้มันมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการเจริญสติของเราอาจจะขึ้นขึ้ น, นลงๆ ก็ทำให้ส ง, งบนีส ง, งบง่ายส ง, งบยากสองเหตุการณ์รอบตัวเราที่เข้ามาหาใจเข้ามาในใจเราความคิดเรื่องราวต่างๆบางทีเรื่องราวมันผ่านไปต้องสองสามชั่วโมงแล้วมันยังค้างอยู่ในใจเราถ้าวันไหนไม่มีเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมาทำให้ใจอวุ่นวายมันก็ส ง, งบง่ายน จ, น จ, นจนกว่าจะกิเลส ต, ตายหมดไหม ก็จนนั่งจนทนไม่ไหวถ้าทนถ้านั่งทนไม่ไหวถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องใช้สติพุทโธต่อไปเฝินมันบังคับมันสู้กับมันมันอยากจะลุกกับพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ให้เป็นไม่ให้มันไปคิดถึงว่าอยากจะลุกเดี๋ยวมันก็สงบแล้วมันก็นั่งต่อไปได้อีกนาน ไ, ไ, ด ไ, ดได้บางคนเขานั่งสามสี่ชั่วโมงได้เพราะเขาสู้ พออยากจะลูกเขาก็ไม่ยอมให้รู้ก็พุโทโธพุโทโธใส่เข้าไปเข้าใจนะเอามาทางบ้านมค่งคำถามจากคุณหญิงอายุหกสิบสี่ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันมาสิบปีปัจจุบันมีอาการขาชาเจ็บจิต จากเนื้อหัวเข่าลงไปถึงปลายเท้าทั้งสองข้างมาสามปีเจ็บชิดๆทั้งวันน่ารําคาญมากจะต้องบริกรรมและทําสมาธิอย่างไรเพื่อไม่ให้นึกถึงความเจ็บปวดและอยู่กับความเจ็บปวดตรงนั้นที่ได้โดยแม่รู้สึกทรมานเจ้าคะก็ให้พยายามไม่อยู่กับพุโทโธให้ไดนะ้ถ้าอยู่พุโทโธเดี๋ยวมันก็จะลืมอาการเจ็บปวดไปเองแล้วมันก็จะไม่ราคาญแพยายามหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแบบ หรือสลับกับการสวดมนต์บ้างก็ได้พุดโตไปสวดมนต์ไปให้ใจมันมีงานทามันจะได้ไม่ไปคิดถึงความเจ็บและต่อไปมันจะไม่ลำคาญคำถามจากคุณวันศุกร์กรกฎขอโอกาสเรียนถามผมพ่อค่ะเมื่อเช้าหนูคิดจะเอาขนมให้เด็กข้างบ้านแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปตรงที่มองขนมที่จะให้เขาว่า เป็นของเขาเป็นบุญของเขาทั้งที่ก่อนหน้านี้หนูคิดว่าขนมเป็นของหนูให้เขาการที่คิดแบบนี้มันทำให้เราไม่ยึดติดกับของถ้าเขาให้ใครต่อหรือเอาทิ้งจะทำให้เราไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะพอให้เขาไปแล้วก็เป็นของเขาแล้ ว, ไ, ล ว, ลวไม่ได้เป็นของเราเขาจะไปทาอะไรก็เป็นสิทธิของเขาคาถามจากคุณณรง พระโสดาลักษาะทิฐิได้หมดไหมครับอ่าหมดสิไมแลวไม่หมดจะเป็นโสดาได้ไงก็คือปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บความแก่ความตายได้คำถามจากคุณมาลิกาจริงไหมคะที่การทำบุญกับพระเทระชั้นผู้ใหญ่จะได้บุญเยอะกว่าพระโบทน้อยพรรษาหรือผู้ถือศีลเยอะกว่าคือบุญมันมีสองส่วนส่วนที่เราได้ จากการเสียสละนี้เท่ากันหมดไม่ว่าจะทํากับใครทําบุญร้อยบาทกับพระเทระทาบุญร้อยบาทกับพระพระบวชใหม่ทําบุญร้อยบาทกับกับหมาอย่างเงี้ยมันก็ได้ความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันได้ได้เกิดจากการเสียสละเงินทองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นนี้อันนี้บุญนี้เท่ากันหมดแต่บุญอีกส่วนที่เราจะได้รับจากผู้ที่ทําบุญนี้ไม่เท่ากันเราทําบุญกับพระเทระท่านอาจจะมีความรู้มากกว่า พระที่บวชใหม่ทำบุญแล้วคุยกับท่านหรือฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้บุญอีกรั้นหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมที่เราจะไม่ได้จากผู้ผู้บวชใหม่หรือพระที่ยังไม่มีความรู้ทางธรรมหรือไปทำบุญกับมหาเนี่ยมามันก็จะเห่าให้เราฟังนั่นเองมันก็จะพูดธรรมะให้เราฟังไม่ได้ดงนั้นบุญส่วนนี้จะต่างกันอยู่ที่ความสามารถของคนที่เราทำบุญ ว, ว่าเขามีอะไรจะให้เรา เหมือนกับเราไปเติมน้ำมันปั๊มต่างๆสมัยนี้ก็มีแจกของใช่ไหมมีของแถมใช่ไหมนอกจากน้ำมันแล้วเรายังได้ของแถมบางทีเราเลือกปั๊มเพราะว่าปั๊มนี้ไม่ได้แจกสิ่งที่เราต้องการเราก็ไปเลือกปั๊มหนึ่งที่เขาแจากในสิ่งต้องการแต่น้ำมันเราก็ได้เท่ากันเติมร้อยบาทก็ได้น้ำมันร้อยบาทเท่ากันแต่ได้ของแถมไม่เหมือนกัน aj. นี่คือบุญอีกอีกอย่างหนึ่งก็ ค, งคือมีสองส่วนบุญที่เหมือนกันกับบุญที่ไม่เหมือนกัน จากคุณธนพรศีนหายังทําคูอหญิงไม่ค่อยได้เพรตกยุงและไล่มดค่ะก็ทำไมทำมันทำก็ไม่ทําอันไหนยากกว่ากันนั่งเฉยๆกับไปตบยุงนี่อันไหนมันมันมันง่ายกว่ากันยากกว่ากันนั่งเฉยๆง่ายกว่ากับไม่ทํำชอบไปทําของยากใช่ไหมไปขโมยเงินกับไม่ขโมยเงินนี่อันไหนง่ายกว่ากันนั่งเฉยๆสบายกว่าไม่ต้องไปขโมยเงิน ชอบไปทำของยากก็มาบน่นว่ามันเยอะมั น, ม, นมันก็ชอบทำของยากเองของง่ายทำมันไม่ทำก็อยู่เฉยๆนั่นเองถ้าอยู่นิเฉยได้เล่าก็ไม่ต้องกินคําพูดก็ไม่ต้องปุ๊บไม่ต้องพูดปดวดเวลารู้จะพูดปวดก็เฉยๆเสียหูปากเสียเวลายุงยามากาศก็ไล่มันไปเอาเอาเอานิ้วเขี่ยมันไปหน่อยก็หมดละนี่ ใ, ใจเรามันีําคาญมันเห็นอะไรมันลาคาญมันต้องการกําจัด ฉน้นต้องมาทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วจะไม่ลาคาญยุงจะมาก็ไม่ลาคาญมันใครจะพูดใครจะทําอะไรเราก็จะไม่ลาคาญเราก็จะนั่งเฉยๆได้ไม่ไปทําบาปได้มันไม่ทําบาปมันง่ายกว่าไปทำบาปนะครบผู้ตามผู้ตามความจริงเนะี่ยจะเขาจะไปขโมยเงินคนนี้มันก็ต้องไปดูลานเราแล้วที่ไหนมีเงินเวลาไหนสมควรที่จะเข้าไปเวลาเข้าไปก็ต้องเสี่ยงภัยดีไม่ดีถูกเขาจับถูกเขายิง ออกกับชอบทำของยากของง่ายๆคือไม่ไม่ทำไม่ขโมยนี้กับไม่ทำกันชอบไปทำของยากแล้วมาบุนเนี่ยคำถามสักคุณชนะตนปูทุชนที่เชื่อและนักถือในพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามแต่ยังไม่ได้โสดาผนศรามีโอกาสกรอนแคลนใหม่คะทำอย่างไรจึงรักษาศรานั้นได้ตลอดรอดฝั่งคะ ก็ศรัทธาแบบบุตุชนก็แบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตายเห็นไงได้ยินเขาเล่าให้ฟังก็เชื่อก็เชื่อแต่พอมีคนอีกคนหนึ่งมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะทำให้ไม่เชื่อก็ได้คนนี้บอกดีอย่างนั้นดีนี้ก็เชื่อดี๋คนหนึ่งบอกเอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็งงเราสียจะไม่รู้จะเชื่อใครนี่คือศรัทธาของปุตุชนฮะยังยังไม่แน่นอนยังก็ต้องพยายามไปถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบานันนี้เราก็ต้องไปหา ไปฟังจากคนที่เขาเขารู้จริงเห็นจริงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเองเวลาใครเขาพูดอะไรที่ทําให้เราสงสัยเราก็รีบไปหาครูบาอาจารย์ไปฟังครูบาอาจารย์ไปถามครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่เขาพูดนี้ถูกไหมอะไรอย่างนี้ไหมเพื่อจะได้รักษาความเชื่อของเราไว้ต่อไปถ้าเรายังไม่เห็นด้วยกับตาของเราแต่ถ้าเราปฏิบัติทําได้บรรลุเป็นพระสุดาบ r m ได้เราจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ พอเห็นอริยสัจสี่เราก็จะรู้ว่าคนที่สอนอริยสัจสีต้องมีใช่ไหมอริยสัจ ส, สีมันมาเองที่ไหนมันมาจากคนสอนคนสอนก็คือพระพุทธเจ้าและคนที่จะเห็นอริยสัจสีก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระสงฆ์ก็คือตัวเราเองเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปว่ามีจริงหรือไม่มต้องปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรม และส ก, กายทิฏฐิได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมคำถามสกุลพัทราพลวิธีเดินจงกรมต้องทำอย่างไรบ้างคะก็เดินตามปกติเหมือนที่เราเดินเนี่ยไม่ช้าไปไม่เร็วไปแล้วก็มีระยะทาง2 9่สาและเวลาเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดินหรืออยู่กับพุโทโธไปมีสติว่ากำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาซ้ายขว า, ซ, า, ขวาซ้ายขวาไป ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าไม่ดูเท้าถ้ า, ถ, าถ้าดูเท้าแล้วยังคิดอยู่ก็ให้พุทโธมาช่วยอีกอีกอีกอันนึงก็ได้เดินเท่าเท้าไปกับพุทโธไปซ้ายกบพุทโธขวากบพุทโธ<ช>เพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าคิดแสดงว่าใจาลอยเราต้องการให้ใจนิ่งใจไม่ลอยก็ต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับการเดินอยู่กับพุทโธไปนี่เรียกว่าการเดินจงกรม พอเราเดินแล้วจะมีสม า, ามีสติมีกำลังที่จะหยุดความคิดเวลานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกเกือดออัดนั่งสมาธิจิตก็จะไม่คิดจิตก็จะนิ่งแล้วก็จะสงบรวมเป็นหนึ่งได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาคำถามจากคุณอัจฉรา ถ้าจเจริญสมาธิสลับกับเดินจงกรมแล้วจิตสงบมีความสุขดีจึงไม่ค่อยสวดมนต์แบบนี้จะถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องไม่ต้องสวดก็ได้การสวดก็เป็นการฝึกสติอีกแบบหนึง่งแทนที่จะพุโทโธล้วก็สวดมนต์ไปอยากจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ไม่มีปัญหาเลยคำถามจากคุณนักพัฒนันเจ้ากรรมในเวนมีอำนาจทําให้เราป่วยได้หรือไม่คะไม่รู้เหมือนกันนะเจ้ากรรมในเวนี่เป็นยังไงก็งไม่รู้เลย ถ้าเราทำที่เข้าใจเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนที่เราเคยมีเวรกรรมกันมาเช่นเราเคยไปทำร้ายเขาเขาก็มาจองเวรจองกรรมเราแล้วก็<ม>เขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเขาจะทำให้เราป่วยไข้ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ความสามารถของเขาถ้าเขาเอายาใส่อาหารยาพิษใส่อาหารเราได้กินไปท้องก็เสียได้อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเจ้ากรรมนายเวรว่าเขามีความสามารถมากน้อยเพียงไร คำถามจากคุณนิยพันธ์โลกของวิญญาณเขาทํางานกันไหมคะวิญญาณก็คือใจของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในร่างกายแล้วก็เรียกว่าใจพอออกจาก่างไม่มีร่างกายก็เรียกเอาวิญญาณตอนนั้นก็มันก็ทํางานในขณะที่มันฝันไงเวลานลอนหลับทั้งนี่ก็คือการทํางานของใจของวิญญาณเนี่ยคํถาถามจากคุณ practice ธรรมะ เมื่อวานที่เรียนว่าเวลาตั้งใจพิจารณาถี่ๆแล้วตัวรู้เกิดความร้าและเบลอท่านอาจารย์แนะนำพักจิตด้วยสมาธิความเข้าใจโยมคือเมื่อมีกำลังให้เพ่งเพียนพิจารณาพอสมควรแก่เวลาให้วางการพิจารณาไว้แล้วกาหนดอยู่ที่ความรู้ตัวจนจิตมีกำลังแล้วกลับไปพิจารณาต่อทำสลับไปมาเช่นนี้ตลอด อ น, นิยมเข้าใจถูกต้องไหมคะขอพระอาจารย์เมธาแนะนําสั่งสอนด้วยค่ะถูกต้องแล้วการพิจารณาก็เพื่อให้เราเห็นคุณเห็นโทษของความอยากว่ามันเป็นโทษมันนําเราไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะเปลี่ยนไปหมดไปเราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราลืมพอเห็นอะไรปุ๊บอยากได้ขึ้นมาทันที พออยากได้เราต้องเรียกปัญญามาสอนใจว่าทุกข์นะถ้าเราจำได้มันทุกข์นะไม่เที่ยงนะมันก็จะหยุดความอยากได้นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันเป็นความรู้ขึ้นมาภายในใจตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์แม้แต่ความอยากเองก็เป็นทุกข์พออยากแล้วใจเราก็ต้องดิน้นละใจเราก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วนี่คือปัญญา พอเราพิจารณาแล้วเหนื่อยเราก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับไปทําจิตให้สงบเพื่อจะได้เอากําลังกลับมาใหม่แล้วเพื่อจะได้พิจารณาใหม่จนกว่าเราจะสามารถจําได้ตลอดเวลาว่าความอยากนี้เป็นทุกข์พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะได้ไม่ทําตามความอยากได้คําถามสกุลพิไรลักษ์คุณแม่ชอบทําบุญไปวัดทําโรงทาน ส่วนคุณพ่อจะชอบสวดมนต์ภาวนาที่บ้านทุกคืนค่ะทั้งสองท่านใครจะได้บุญมากกว่ากันคะส่วนลูกลูกถือศีลห้าได้เกิดทุกคนค่ะก็บุญคนละอย่างกันไงถ้าบุญที่เกิดจากการทาบุญทาทานนี่มันก็อยู่ในระดับต่ำกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาความสุขที่ได้ต่างกันการความสุขที่ไดจากการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานี้มันสุขมากกว่า บุญที่ได้จากการทำบุญทาทานสีนก็จะได้มากกว่าทานทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาเป็นความสุขสามระดับแต่ก็ต้องไต่เต้าจากระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับสูงถ้าเรายังทำทานไม่ได้เราจะไม่นั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีกำลังพอต้องทำทานให้ได้ก่อนถึงจะไปรักษาสีลได้พอรักษาสีลได้แล้วก็จะมีกาลังไปนั่งสมาธิไปภาวนาได้ คถามสะพุดอัจฉรานั่งกรรมฐานแล้วนึกไปที่ตอนเราสาวเราเคยสวยทําให้เกิดความรู้สึกไม่เที่ยงไม่ใช่เราแบบนี้เรียกว่าได้เจริญวิปัสสนาหรือเปล่าเจ้าคะใช่ก็เจริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเห็นอนัตตาว่าเราไปห้ามมันไม่ได้อ้าไม่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเราจะได้ไม่ไปฝืนธรรมชาติได้ไม่ต้องไปเสริมความงามไปทําสัญญกรรมไป ทำรักษาวความสาวให้อยู่สาวไปเรื่อยๆให้หล่อไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้คำถามจากคุณสุภาพถือศีลแปดดื่มน้ําผลไม้รวมได้ไหมเจ้าคะ่ะน้ําผลไม้นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาหารดื่มไม่ได้เอน้ําผลไม้ได้อยู่แต่น้ําผักไม่ได้ถ้าน้ําผลไม้ผสมกับน้ําผักนี่ดื่มไม่ได้ผักนี้ถือว่าเป็นส่วนของอาหารอยู่ในกลุ่มของอาหาร แต่เดิมต้องเป็นผลไม้และผละไม้นี่ต้องเป็นขนาดไม่ใหญ่กว่ากำกำปั้นคือโดยทั่วไปนะไม่ใช่หมายว่าบางบางผลมันใหญ่บางผลมันเล็กแต่แต่ผลไม้โดยทั่วไปที่ไม่ใหญ่กว่ากําปั้นถึงจะใช้มันเป็นน้ําปานะได้ อ, อถ้าใหญ่กว่านั้นห้ามไม่ให้ใช้เช่นน้ํามะพร้าวน้ําแตงโมเนี่ยใช้ไม่ได้มันใหญ่เกินไปแล้วน้ําที่เราทั้นนี้ก็ต้องเอากากออกให้หมดเนื้อออกให้หมดเอาแต่น้ําล้วนๆต้องใช้ผ้ากรองออก ึจะดดื่มไ้คําถามสกคุณพีโกนวันวันนี้ iPhone X วางขายวันแรกจะซื้อเป็นรางวัลกับตัวเองของปีนี้ดีไหมของบุมมองพระอาจารย์ด้วยคะ อ, อ๋อรางวัลซื้อให้ตัวเองกับซื้อให้คนอื่นซื้อให้คนอื่นดีกว่า <c oughs> ได้บุญกว่าได้ความสุขมากกว่า <c oughs> ซื้อให้ตัวเองก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันต้องมาคอยเฝ้าคอยดูแลเกิด <c oughs> ถ้ามันหายไปก็ต้องมาเสียใจกับมัน แต่ถ้าซื้อให้คนอื่นเช่นเพื่อนวันเกิดพอดีก็ซื้อให้เขาไปเลยหรือพ่อแม่วันเกิดซื้อให้พ่อให้แม่ก็ได้เราจะได้ความสุขมากกว่าเราก็ใช้ของเก่าของเราต่อไปได้มันก็ยังถ่ายรูปได้มันก็ยังโทรศพทรได้ไม่ใช่เลยมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายหรอกแต่เราจะได้บุญได้ความสุขใจนอนหลับก็ฝันดีตายไปก็ไปสวรรค์กลับมาก็จะมีไอโฟรอเราอยู่ไม่ต้องไปหา <laughs> คุณนภัชนันระลึกพุโทโธพุโทโธนี้ใช้ใจเป็นผู้คิดนึกคํานี้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องลึกหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธเข้าออ ก, ออกใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ต้องเอาใจไปจับลมหายใจตอนระลึกพุโทโธใช่ไหมแล้วแต่บางคนบางคนเอาพุโทโธอย่างเดียวบางคนเอาสองอย่างก็ได้แล้วแต่ความถนัด บ, บางคนคิดว่าพุโทโธพุโทโธยังใจยังลอยอ ย, อยู่ยังเผลอไปคิดอยู่ <c oughs> ก็เอามาดูลมด้วย พุดเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้บางคนก็ําคาญยุ่งยากไหนจะต้องดูลมไหนจะต้องพุดโทรเข้าอย่างเดียวเอาลมอย่างเดียวก็ได้เอาพุดโทอย่างเดียวก็ได้หรือเอามารวมกันสองอย่างก็ได้เหมือนกินอาหารสมัยนี้ไปสั่งร้านอาหารบางทีชอบกว๋วยเตี๋ยวชอบข้าวผัดก็บอกเอาอย่างละครึ่งมาก็ได้เขาไม่ต้องเอาสองจานก็ เ, เอากว๋วยเตี๋ยวให้ครึ่งหนึ่งให้เอาเข้าวผัดมาให้ครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่ความความพอใจของผู้ปฏิบัติความถนัดของผู้ปฏิบัติ อยงไรปฏิบัติแล้วทําให้จิตสงบก็เอาอย่างนั้นเลยคําถามจากคุณยูยุ่งจะนั่งอย่างไรให้สงบคะเพราะพุพโทโธแล้วก็ยังไม่สงบเพราะเคยปฏิบัติจากที่สอนให้บริกรรมยุบหนอพองหนอถ้าบริกรรมพองยุบแล้วสงบได้จะได้ไหมาเจ้าคะจะอยากจะสู้ด้วยพุโทโธแต่ไม่เคยทําได้สุดท้ายก็มาอยู่ที่พองยุบได้ยุบหนอพองหนอก็ได้เหมือนกันเราเคยถนัดอะไรแล้วก็เอาอย่างนั้น คือให้ดูผลก็แล้วกันทําอย่างไหนชนิดแบบไหนแล้วทําให้ใจสงบก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันกรรมฐานมีอยู่สี่สิบแบบด้วยกันวิธีที่จะทําใจให้สงบไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวไม่ใช่ลมอย่างเดียวเอยุบหนอะพองหนอก็ได้คิดถึงความตายก็ได้แล้วแต่เราดูซากศพก็ได้เพ่งดูศพชนิดศพต่างๆก็ได้คํถาถามสกุณรัชนีสิริศักดิ์ เวลานั่งสมาธิใจชอบฟุ้งซ่านเราต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ไม่มีสติไงก็ต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาตืินขึ้นมาก็หัดใช้สติสติเกิดได้จากการเพ่งจิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรืออยู่กับการกระทําเคลื่อนไหวของร่างกายคอยเพ่งคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่าไปคิดถึงงนินคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะมีสติ ขึ้นมาแล้วต่อไปเวลานั่งจิตก็จะเนิง่งจะสงบได้คำถามจากคุณเปาที่มาเมื่อก่อนผมใส่บาตรเกือบทุกเช้าหลังๆมานี้ผมตื่นสายไม่ค่อยได้ใส่บาตรแต่นางเงินจำนวนที่เท่ากับตอนซื้อของใส่บาตรไปซื้อไก่ย่าให้หมากินแบบนี้จะได้บุญเท่ากันไหมครับได้ความสุขใจความเสียสละก็ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่จะได้จากหมากับพระนี่ก็ต่างกัน ถ้าเรามีคําถามทางธรรมะเราไปถามหมามันมันก็ตอบให้เราไม่ได้ถ้าเราไปถามพระท่านถ้าท่านมีความรู้ท่านก็จะตอบเราได้คําถามสักคุณสาธุเวลามีปัญหาหรือเหตุการณ์มากระทบจิตใจลูกพยายามคิดถึงคําบริกรรมพูดโทรแต่ก็เอาไม่อยู่เป็นเพราะจิตลูกสมาธิไม่พอใช่ไหมเจ้าค่อสติไม่พอเราไม่ฝึกสติกันไว้พอถึงเวลาจะใช้มันให้หยุดความคิดก็หยุดไม่ได้ เราต้องหัดพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกหยุดความคิดด้วยพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาจิตมันคิดแบบทําให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดมันได้คําถามจากคุณไอซ์เบอรีนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติโดยไม่ได้ภาวนาพุโทโธอาศัยดูลมหายใจอย่างเดียวเพ่งดูจิตไม่ให้ความคิดเข้าแทรกถ้าความคิดเข้ามาก็พยายามตัด ให้จิตอยู่กับความว่างฝึกแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้ขอให้ดูที่ผลก็แล้วกันว่ามันว่างมันสงบหรือเปล่าถ้ามันว่างแล้วมันสงบก็ใช้ได้คําถามจากนายหนุูทุกลมหายใจคนที่บรรลุโสดาบันคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจ น, จนจิตรวมเป็นหนึ่งถึงสภาวะธรมที่จิตมีปัญญาเห็นความเป็นจริงและสามารถรักษาลัทธิศรัทธาที่ถีได้ยึดมั่นในศีลและพระรัฒนาตายใช่หรือไม่ครับอ่าใช่ คำถามจากคุณนงลักษ์ทำไมต้องเกิดเป็นผู้หญิงคะ <P> พราะเราชอบเป็นหญิงนิสัยเราชอบเป็นผู้หญิงทำตัวเราเป็นผู้หญิงมันก็เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชายเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเราให้เป็นผู้ชายการหารอดทนบึกบุญผู้หญิงชอบของสวยๆงามๆชอบอย่างนู้นชอบอย่างนี้กระจุงกระจิงอะไรอย่างนี้ก็เป็นผู้หญิงไปคนบางคนกําลังอยู่ระหว่างเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยครึ่งๆกลางๆมันเลยเรียกว่าเทย คำถามสักุลซีซันเชงไม่มีโอกาสใส่บาทตอนเช้าแต่เวลาก่อนสวดมนต์จะมีกระบุกหยอดทุกครั้งและเอาไปทำบุญทีหลังได้บุญเหมือนใส่บาทไหมคะได้ถ้าเอาไปไม่ใช่ใส่บา้านเพอะวันไหนขาดเงินก็ขอยืมก่อนห้ามแตะเงินทำบุญนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแนละ้วของวัดแล้วเแต่ก็ฝากไว้กับเรา ห้ามแตะถ้าไปแตะถือว่าขโมยเงินวันละอ ย, นอย่างนี้ถึงจะได้บุญจริงจริงแต่พอแต่ถ้าไปสายไปแล้ววันไหนขาดเงินก็ขอยืมก่อนอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้บุญเพราะยังยังเอาคืนอยู่ทำบุญแบบเอาคืนอยู่คำ ถ, ถามจากบุณลิซ่าโอ๊ตเวลาสวดมนต์เราสวดในใจได้ไหมคะ เห็นบางท่านบอกว่าให้ออกเสียงเบาๆเพราะจะมีเทวดามาร่วมฟังอาจารย์ช่วยชี้แจงด้วยนะเจ้าคะ่ะสวดในใจได้จะดีกว่าเพราะใจจะได้สงบกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าใช้ร่างกายนี้มันใจยังต้องบังคับให้ร่างกายทํางานอยู่ถ้าเราสวดใน ใ, ใจเราก็จะได้ปล่อยร่างกายให้อยู่เฉยๆได้เราไม่ได้สวดให้เทวดาฟังเราสวดเพื่อให้ใจเราสงบแล้วเทวดามีมาฟังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ การสวดของเรามันวิเศษขนาดไหนเทวดาทั้งอยากจะมาฟังใช่ไหมเทวดาเขาไปหาความสุขของเขาไม่ดีกว่าเลยเขาเป็นเทวดาเขาไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ดีกว่ามาฟังบทความสวดของเราแไม่มีหรอกเทวดาอะไรเขาจะมาฟังเราเอยังไม่ฟังเลยบางทีสวดไปก็ใจก็คิดเองวดผิดสวดถูกบางทีก็ไม่รู้ <laughs> คำถามจากผู้ไม่ออกนามค่ะเรื่องการบริจาคอวัยวะซึ่งมีข้อกำหนดว่าผู้บริจาคต้องอยู่ในสภาวะสมองตายแต่ร่างกายยังไม่ตายอันนี้สามารถทำได้ใหม่คะจะเป็นบาปใหม่คะเพราะร่างกายยังไม่ตายไม่รู้หรอกถ้าถ้าไม่ไม่ตายแล้วบริจากระดีได้บุญจริงถ้าตายแล้วไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้บริจาค เราต้องรู้ว่าเราได้บอยจากเมื่อเราทำบุญนี่เรารู้เราตอนนี้เราเอาเงินใส่บาทแล้วเอาเอาของใส่บาทแล้วเราก็เกิดความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญของเราถ้าเราตายไปแล้วเราคนเอาเงินของเราไปทำบุญให้เราเราไม่รู้แล้วเห็นถ้าอยากจะได้บุญต้องทำตอนที่เรารู้ยากบริจากอวัยวะเช่นมีตายสองอันแม่ตายวายหรือพี่น้องตายวายก็แบง่งตายไปให้เขาตายอย่างนี้ อันนี้เรารู้เราได้บริจาคเราเห็นผลที่เกิดจากการบริจาคทําให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มีความสุขได้มันก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจแต่ถ้าเราตายไปแล้วก็เอาอาวัยวะต่างๆไปให้คนนู้นคนนี้เราไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเขาเอาไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเหตนถ้าอยากอยากจะบริจาคอาวัยวะแบบที่ได้ได้บุญได้ความสุขใจก็ต้องทําตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจาคเลือดอย่างเงี้ยบริจาคเลือดนี่ก็เป็นอวัยวะอย่างหนึง อาการ32ใช่ไหเลือดนี่ก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งบริจาคเลือดไปก็ถือว่าเราบริจาคอวัยวะนเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาว่าอ๋อเลือดของเราได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาขาดเลือดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเราตายแล้วเขาก็ดูดเลือดเราไปให้คนนู้นคนนี้เราไม่รู้แล้วเขาเอาไปทาอะไรเราก็จะไม่ได้บุญ แต่ประโยชน์ก็ยังได้อยู่คนที่รับเอาวัยวะของเราไปเขาก็ยังได้รับประโยชน์จากอาวัยวะของเราอยู่แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองงั้นจะทําอะไรต้องทําตอนที่เรารู้ตอนที่เราเรารู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่เป็นบุญอ า, าจารยาคะอย่างเช่นเราเร า, เรารู้ว่าเราเราจะบริสัทธ์ตายนะแล้วเราก็จะตายแต่ว่า ตอนนั้นคือเรากไ็ได้บุญแล้วเหมือนกันใช่ไหมยังยังยังไม่ได้ควักออกไปเนี่ยต้องควักออกไปก่อนเลยยังอยู่กับเรามันก็ยังเป็นของเราอยู่ต้องไม่เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นแล้วเหมือนเงินเนี่ยอยากจะบริจาคแล้วว่าอยากจะทําบุญแต่ยังไม่ไม่ควักไม่เอาไปจ่ายยังอยู่ในกระเป๋าเราอยู่เนี่ยมันจะเป็นบุญได้ไงใช่ไหมเอาไวยะว่าก็เป็นเหมือนเงินทองเหมือนกันมันเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนเงินทอง มดแล้วเหรอเมื่อกี้ค น, ม, คนมีคนมานั่งนี่อยากจะถามคำถามนะอลยมาตรงนี้หนะ่อยจะมาใกล้ๆหน่อยเห็นมานั่งรอนานก็ดีลืมลืมไปมใกล้ๆหน่อยเียงดังๆหน่อยเพคนทางบ้านจะได้ยินคําถามด้วยคือในการปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านในจุกที่ เราก็ความสงบไม่ไปยึดมันไม่เอาจิตไปตามนิติต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สภาวะที่ทำคือเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดการพิจารณาอยู่ตลอดไม่ควรพิจารณาถ้านั่งสมาธิเราต้องการหยุดต้องการให้ใจนิ่งสงบอย่างเดียวการพิจารณานี้ต้องทําตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิทุกอย่างที่กระทบโดยปัญญาหรือว่าจะเป็นกำลั สติไม่พอถ้าสติไม่พอมันก็คิดได้อเราต้องหยุดการพิจารณาถ้าเราทําสมาธิไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้ผลจากการนั่งสมาธิออย่างเดียวให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวไปมันจะคิดอะไรก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธอยู่ที่ลมอย่างเดียวไปแล้วถ้าหากเว้นจากการที่เราไม่ ก็อยู่ที่ว่าเรามีความชำนาญมีสติมากพอหรือยังถ้ายังไม่พอก็มาฝึกสติก่อนเอาออกมาจากสมาธิก็พุโทโธต่อไปดูลมลดู่างดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆหยุดความคิดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ารามีสติมีกำลังมากที่สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการอันนั้นนะเราถึงเวลาออกจากสมาธิมาต่อไปก็พิจารณาทางปัญญาได้ ถ้ายังไม่ชํานาญทางสมาธิเอาให้ให้ชํานาญก่อนเพราะถ้าไม่ชํานาญเดี๋ยวไปทางปัญญามันฟุ้งขึ้นมาเราจะหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติพอพิจารณาทางปัญญามันฟุ้งเราก็จะหยุดมันได้ค่ะอย่างถ้าตอนนี้คือต้องถอนออกมาก่อนไหมเราลองคิดกิดสมาธิอะไรไดอ๋อถ้าจะคิด ม, มันต้องออกจากสมาธิก่อนมันนี่จะคิดได้เวลาอยู่ในสมาธิมันหยุดคิดไงแต่ถ้าเรายังไม่ชํานาญทางเข้าสมาธิ ยังหยุดคิดไม่ได้ยางทุกครั้งก็ควรมาฝึกสติให้มันหยุดคิดให้ได้ทุกครั้งก่อนเมื่อเราหยุดคิดได้ต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้คำถามจากคุณนภัชนันน์ค่ะการแผ่จิตอุทิศส่วนกุศลพวบภุมิที่จะรับและอนุโมทนาบุญกับเรานี้จะได้รับทุกพบทุกภูมใหม่เจ้าคะไม่หรอกมีพบเดียวคือเปรตเท่านั้นที่รอรับส่วนบุญ พรเปินี้เขาบางทีเขามีบุญแล้วพวกเทวดานี่เขามีบุญมากกว่าบุญที่เราจะให้เขาเป็นพวกเศรษฐีบุญเขาก็ไม่มารอรับพวกเดรัจฉานเขาก็ไปหากินของเ้าเองได้พวกที่ไปนรกก็ติดคุกออกมาไม่ได้ถูกความไฟร้อนไฟของความทุกข์เผาผลาญจิตใจยนันมีพวกเดียวที่จะรอรับส่วนบุญก็คือพวกเปรตเพราะพวกนี้มีความหิวขาดขาดบุญนะ เมื่อกีอยากถามเลยเสมมติปเป็นคารวาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้สมาธิเกิดขึ้นอย่างเงี้ยศี่ทานี่ต้องบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นไหม เ, เวลานั่งสมาธิก็มันก็มีสี่ท่าแล้วไม่ใช่เลยแต่หนูว่าในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยอย่างข้อสที่เป็นข้อวาจาค่ะ เ, เรื่องเฮอเจอร์เนี้ยบางทีเรายังหยอกล้อกับคนในครอบครัวเนี้ยมันมันถือว่าคลอยไหมคะมันก็ทําให้เราใช้ความคิดปรุงแต่งไง ม, มันก็ ก็มันก็ทําให้หยุดคิดยากขึ้นไงเราไม่หยุดคิดเนี่ยเราใช้ความคิดมาพูดเพ้เจ้อแต่ถ้าเกิดเราหยากอกล้อถ้าเราถ้าเราไม่คิดไม่หยอกล้อมเราก็ไม่ต้องใช้ความคิดมันก็จะทําทให้เราเวลานั่งสมาธิจิตก็จะหยุดง่ายขึ้นเพราะการกระทําทางกายวาจานี้มันจะต้องใช้ความคิดเนี่ยไงจะไปทําบาปไปขโมยนี่ก็ต้องคิดก่อนแล้วว่าวางแผนจะไปขโมยยังไงแต่ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ความคิด ความคิดน้อยลงเวลานั่งสมาธิมันก็จะหยุดได้ง่ายขึ้นค่ะคำถามนึ่งนะคำถามสุดท้ายค่จะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะช่วงที่ถือสีแปดนั้นเราสามารถชมวิดีโอการฝึกโยคะและทําโยคะตามเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ไหมคะจะทุสีไหมคะแต่ว่าได้ก็ได้แต่ควรไม่ควรว่าไม่ควรดีกว่า อย่าไปดูอะไรเลยเดี๋ยวมันเผลอดูไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมันจะไปต่ออย่างอื่นต่อบางทีก็ตอนต้นก็เริ่มดูของที่มีประโยชน์เดี๋ยวต่อไปก็มันก็แวะไปดูบันเทิงดูอะไรขึ้นมาก็ได้เห็นทางที่ดีอย่าไปดูอะไรมันเลยดีกว่าปิดทั้งหมดเลยปิดโทรศัพท์มือถือปิดอะไรไม่ต้องไปรับรู้โลกภายนอกก็จะได้ดึงใจเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าถ้าอยากจะดูพวกนี้ก็รอเวลาที่ไม่ได้ถือสินแต่ดีวกว่า การถือศีลแปดนี้เพื่อสนับสนุนการดึงใจให้เข้าข้างในคือการนั่งสมาธิเห็นถ้าเราถือศีลแปดัพนั่งสมาธิก็อย่าไปดูอะไรเลยแม้แต่ธรรมะก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังก็ได้ช่วงที่เราปฏิบัติอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจนาไปปฏิบัติ